สมถะเจ็ดในหัวข้อเหล่านั้นสมถะเจ็ดเป็นฉไนคือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. สติวินยัย 3. อมูลหวินยัย 4. ปติญญาตกรณะ 5. เยพุยยสิกา 6. ตัดสปาปิยสิกา 7. ตินวัฏฐากะนี้คือสมถะเจ็ดอย่างกติปุจฉาวาระจบ